ยังกินจิสมุตยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นตั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพุทธเจ้าแสดงตั้งเยอะพระอั ญ, ญโกธัญญาท่านสรุปบทให้อ่อให้ทั้งหมดทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างใน มันมีเหตุเกิดมีกระบวนการเกิดของมันแล้วมันก็มีกระบวนการที่จะดับลงของมันโดยธรรมดาอยู่แล้วนี่ยอ้ารงั้นไอ้ที่พวกเราทั้งหลายพยายามทำทำอะไรกันอยู่นั่นแหะคือความเข้าใจในธรรมจักที่พระเจ้าแสดงมาก่อนหน้านี้พระเจ้าบำเพ็ญด้วยกระบวนการของการภาวนาในแบบ ที่สังคมยุคนั้นมีกันมีอยสองอย่างในยุคนั้นนะจะมีอยู่หลกัหลกๆโยสองแบบหนึ่งคือพวกชาวโลกชาวโลกที่เสพอารมณ์กับผู้ที่ออกภาวนาที่จะหาทางหลุดพ้นจากการเสพอารมณ์เหล่านั้นในบรรดาพวกที่หาวิธีการหลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านั้นเขาก็ทำสองอย่าง ทำอยู่สองอย่างคือบังคับกายกับบังคับจิตหลักๆเลยนะเขาจะบังคับกายกับบังคับจิตบางพวกก็กอบมองอารมณ์จิตให้ไปเป็นสิ่งนั้นให้ไปเป็นสิ่งนี้ให้ไปเป็นแม้กระทั่งว่าไม่เป็นอะไรประกอบพัวพันธุ์อยู่ด้วยอารมณ์บางอย่างเอาใจไปยึดยิ้งค์อารมณ์บางอย่าง บังคับให้ใจไม่เป็นอะไรที่เรียกว่าชาญอรมณ์ชาญทั้งหลายอีกพวกหนึ่งบังคับกายที่เราเคยเห็นปางพุทธเจ้านั่งตัวผอแห้งแบบเพนตุกละกิริยาบังคับกายให้ถึงที่สุดโดียวสิมันอาจจะมีทางบรรลุพุทธเจ้าทำสองอย่างบังคับทั้งกายบังคับทั้งจิตให้จิตเสพอารมณ์สุขเสพอารมณ์ของการไม่เป็นอะไรเลย ก็ไม่ได้ไม่บรรลุไม่ถึงที่สุดพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าสองอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทบคือการประกอบกายประกอบใจเอาไว้ด้วยการเบียดเบียนให้ใจเป็นบางอย่างสุขเกินไปจมจอมกะอารมณ์เกินไปในพุทธธรรมรูปประชานอารูประชานทั้งหลายทำให้ใจไปจมกะอารมณ์เสกให้ใจเป็น กับอีพวกหนึ่งคือบังคับกายจนสุดโตเกินไปสองอย่างนี้เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขในการประกอบความสุขทางความาเราเรียกว่ากามัสุขในกาลโยกเนี่ยโดยหยาบหยาบก็คือการเสพอารมณ์ตามภาษาโลกและหวังว่ามันจะบรรลุพูืเราหวังว่าจะถึงที่สุด ข, ของการเสพอารมณ์เหล่านั้นมันไม่สุด โดยปรมาณขึ้นการที่เราปั้นแต่งใจให้ไปเศษให้เปเป็นอะไรบางอย่างแม้กระทั่งการไม่เป็นอะไรในในอารมของอารมประชานทั้งหลายมันไปสุดแค่ผมลูกฟักมันไปสุดแค่ในวัดสัญญาคือเหมือนไม่มีสัญญาเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนว่าจากทุกสิิ์แต่พอออกมาสิ่งต่งางๆก็กลับมาเป็นปกติมันจึงไม่ใช่ทางออกมันจึงไม่สุดทาง การไปประกอบกายบังคับกายแค่ไหนยังมากมันก็ตายเปล่านี่เป็นสุดโตงสองแบบในอารมณ์ที่เราภาวานาเนี่ยในอารมณ์ที่พอภาวานานะถ้าเราเริ่มต้นจากการบังคับใจเนี่ยเห็นไหมว่าเข้ากับหลักนี้เราบังคับใจเกินไปบังคับกายเกินไปเดินเอาใจบังคับกายเกินไปเอาใจบังคับตัวเองให้ใจมาอยู่นิ่งๆกับกายเกินไป มันเข้าหลักนี้เช่นกันเข้าหลักของการบังคับซึ่งมันไม่ใช่ทางในธรรมจักรนี่สิ่งแรกที่พพุทธเจ้ากล่าวกับเป็นทางที่ผู้คนทั้งหลายเขาภาวนาเขาทากันแล้วสองแบบนั้นเป็นความเชื่อดั้งเดิมว่าถ้าทำแบบใดแบบหนึ่งจะถึงที่สุดมันจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้พุทธเจ้าก็ลองทาทั้งสองอย่าง แล้วพระเจ้าเห็นว่ามันไม่สุดพุทธเจ้าเลยตําลําดับของพุทธประวัติพุทธเจ้าเลยเลิกหันมาทานอาหารหันมาบำรุง ก, กายนี่เป็นเหตุให้พระปัญจาวัคคีย์สงสัยแล้วก็ถอยออกมาจากพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยลองวิธีใหม่ในต้นๆบทของธรรมาจากักรพทธเจ้ากับแสดงสิ่งที่ทำสองแบบนั้นซึ่งเป็นเหตุที่พระปัญจาวัคคีย์สงสัยแล้วก็ทำ โดยเอาพุทธเจ้าเป็นหนูทดลอง <c oughs> จริงๆรนะเรื่องนี้พุทธเจ้าเป็นหนูทดลองให้เพราะปัญจวัคคีก็ไปรอดูถ้าสำเร็จแล้วเนะ่ะแบบใดแบบหนึ่งเราจะได้เอาแบบนั้นพุทธเจ้าลองสองแบบไม่ได้แล้วก็มาบอกบอกมาบอกปัญจวัคคีว่าการบังคับทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ถูกมันมีทางของมันคือทางแห่งสัมมาธรามาจาก พุทธเจ้าเลยกล่าวเองทางที่ไม่ถูกสองทางก่อนทางที่ถูกคือสัมมาทำให้มันพอดีทำให้มันพอดีใ น, อดในสัมมาเนี่ยสัมมาแปลว่าพอดีแปลโดยอัดมันแปลว่าชอบแปลตามหลักภาษาแต่แปลโดยพยัญชนะมันแปลว่าชอบแต่แปลโดยอัดโดยสาระก็ตัวสัมมาแปลว่าพอดีความกลมกล่อมความสมดุลความพอดี พอดีของสัมมาทิฏฐิพอดีพอดียังไงสัมมาทิฏฐิที่ตรงที่ชอบที่พอดีเห็นต่อความเป็นจริงเข้าใจต่อความเป็นจริงและธรรมชาติทั้งหลายเกิดขึ้นหายไปไม่ต้องบังคับไม่ต้องจัดการไม่ต้องเอาใจไปแปะสุดโต่งไว้ข้างใดข้างหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือการเข้าใจคือการอธิบายดําริตรึกต่อธรรมชาติทั้งหลายที่กําลังเกิด ธรรมชาติทั้งหลายที่กำลังเกิดความง่วงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็สลายปล่อยผ่านไม่ต้องบังคับไม่ต้องจัดการไม่สมยอมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามโมมีอารมณ์อย่างหนึ่งคืออารมณ์ของการประครับประคอสัมมาวาจาในอารมณ์ภาวนาท่านอธิบายว่าเป็น อ า, อารมณ์ของการสัมปยุตธธรรมคืออารมณ์ที่ประกอบประคับประคองส่งต่อส่งต่ออะไรส่รงต่อสติสมาธิคืออาการตื่นรู้อาการตั้งมั่นอาการรับรู้ต่อธรรมชาติทั้งหลายที่ปล่อยให้ธรรมชาติทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในตัวสติจะมีสัมปทัญญะอยู่ด้วยมีอาการตั้งมั่นรับรู้ตื่นรู้ ใจจะมีองค์แห่งการประคับประคองดูแลหล่อเลี้ยงอย่างสมดุลพอดีในหนึ่งขนาดจิตเองนะมรแปดนี่ไม่แยกออกมาแล้วมีแค่หนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตที่สมดุลพอดีของการตื่นรู้ประคับประคองเรียนรู้ต่อธรรมชาติที่เกิดอย่างไม่เบียนเบี่ยนซึ่งกันและกันนี่เป็นตัวเหตุนี่เป็นตัวตั้งนี่เป็นตัวบริหารองค์ของการหมุนออก ตัวเหตุของผลบริหารอย่างนี้ปัญญาจะเกิดจะเข้าใจความเป็นไปของตัวทุก์ตัวเหตุให้เกิดทุกแล้วก็วิธีทางของการดับลงมันมีเหตุเกิดมันก็มีเหตุออกหลายคนบอกว่าทำไมฉันต้องภาวนาทำไมฉันต้องภาวนาชีวิตสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเขาพูดเรื่องทุกไม่เห็นจะมีทุก์อะไรเลย จริงๆเราไม่มีความทุกข์หรือว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือความทุกข์เขากล่าวง่ายๆเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ใกล้เข้าไมาอีกความซ้าโศกเล่ำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์เวลาอารมณ์ความโกรธเกิด ใจเราไม่ยินดีอยากหนีจากความโกรธความพัดพลาดจากสิ่งที่รักอากาศเย็นสบายกำลังนั่งสบายความปวดความเมื่อยไม่เกิดเพราะความปวดความเมื่อยเกิดอาการสบายหายใจก็ดิ้นหลดนต้องการให้มันสบายต้องการออกจากจุดนี้ขี้เกียจนั่งตรงนี้ขี้เกียจคิดเวลาความล่วงมันก่อตัวมาเลยป่าเถนาให้ความล่วงหายปารถนาให้ความตื่นรู้ปรากฏมันก็ทาไม่ได้ นั่นแหละคือหน้าตาของสภาวะทุกที่เกิดกับเราทุกขณะร่วมความคืออุปทานในขันห้าอุปทานในขันห้าคือตัวไหนอาการที่ใจเราพอใจไม่พอใจดิ้นหล่นกัดแกงต่อสภาวะทั้งหลายที่กำลังเกิดนั่นแหละคือตัวทุกข์มันมีตัวเหตุของมันตัวเหตุนี่ตัวเหตุคืออาการใจที่เข้าชอบเข้าไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลายคนภาวนาพมากเก่าแล้วเนี่ย เราเห็นตัวทุกข์สงสัยไหมว่าทําไมในอริยสัจทอาเอาทุกกล่าวขึ้นก่อนทุกเหตุให้เกิดทุก์นิโรธแล้วก็ไปมรรคเราจะเห็นอาการมันก่อนเราเห็นตัวตนมันก่อนเห็นอาการมันก่อนเราค่อยรู้ว่าอะไรเป็นตัวเหตุเราเห็นความคิดเราค่อยรู้ว่าความคิดเกิดได้อย่างไงเราเห็นตัวตรง อาการของสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะเห็นว่าเขามีเหตุยังไงในเหตุของโดยรวมของธรรมชาติทั้งหลายนี่ตัณหาเป็นตัวต้นเหตุตัณหาคืออาการที่ใจทยานพุ่งเข้าไปยุ่งมันจะมีอาการอยู่สองอย่างตัณหาเนี่ยเรียกลุ่นเรียกโดยรวมว่าเป็นอาการดึงกับอาการดันเวลาอะไรลมพัดเย็นสบ้าใจเราก็ไปโอบดึงสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ เวลามันร้อนเวลามันปวดมันเมื่อยใจเราก็พยายามผลักพยายามดันออกนั่นแหละหน้าตาของตัณหาตัณหามีเหตุใกล้ของมันคืออะไรนันทิราคะความเพลินความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสความคิดอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นความคิดเกิดดีๆเกิดขึ้นเราก็ยินดีแช่จง นั่งยกมือไปดีๆโอ้ยใจต่อสบายแช่จมนั่นแหละคือความเพลินการภาวนาของพวกเราที่หลวงพ่อมาหาท่านเน้นจึงเน้นจุดนี้เห็นตัณหาเห็นความเพลินการขยับบ่อยๆเพื่อให้ใจตื่นออกเพื่อให้ใจหลุดออกจากความเพลินมันจะไม่ไปเติมเชื้อแห่งตัณหาถ้าเราภาวนาแบบใจแปะไปแบบกับอารณ์ แปะไปกับอารมณ์ไหนเกิดขึ้นกันด้วยเนี่ยไปกับอารมณ์มันจะเป็นเหตุเกิดของความของตัณหาซึ่งเป็นเหตุเกิดของความทุกข์และเราจะกำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้กระบวนการของมันงพอมาหาทันแยกไว้ดีนะในเรื่องในเรื่องตัวตัณหาในเรื่องตัวเหตุเกิดของตัวตัณหาตัวทุกข์ทั้งหลายท่านแยกไว้ดีแยกไว้ละเอียดหลากะเป็นตัวส่งต่อสู่ตัณหาส่งต่อสู่กามะ เป็นลำดับชั้นของมันท่านกล่าวไว้ละเอียดมากเนี่ยคืนนี้เป็นคืนที่สามเนาะอธิบายแค่นี้พอ <c oughs> พอแล้วเนาะคืนนี้เป็นคืนที่สา ม, มการภาวนาร่วมกันหลายท่านเข้าใจดีขึ้นเท่าที่ได้คุยเท่าที่ได้ฟัง เริ่มเข้าใจเรื่องภาวนาตอบย้าอารมณ์พื้นฐานเริ่มเข้าใจเรื่องการภาวนาผ่านน่วงผ่านฟุ้งเริ่มเห็นกายเริ่มเห็นใจเริ่มเห็นความง่วงความว่วงก่อตัวเริ่มขยับออกได้อารมณ์เก่าๆของคนเก่าที่เริ่มมีปัญหาคนเก่าๆเราจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งความเข้าใจอาตมาว่าปัญหาที่มีปัญหาที่สุดของคนเก่าความเข้าใจต่อกบนการ ยังไม่ค่อยตรงเมื่อคืนอาจารย์ดงศินท่านกล่าวเรื่องสมมาทิทฐิสมาทิฏฐิเป็นกระดูเม็ดแรกของการภาวนาคนที่คนรุ่นใหม่ๆพวกเราที่ได้ยินได้ฟังข้อมูลมาเยอะๆบางทีความเข้าใจต่อกระบวนการภาวนาที่ไม่ถูกต้องบางทีทำให้เราผสมสัดส่วนผิดพอเราผสมสัดส่วนผิดผลก็ออกมาปิดเบี้ยว กระ บ, บการพวกนี้ต้องใช้เวลาคนเก่าๆนั่งคุยกันสนทนากันบ่อยๆแล้วไปลงมือไปลงมือต่อไปลงมือต่อการสังเกตไปเรื่องละเอียดอ่อนอคือวัอนนี้อนิมบนอาจารย์ตั้งอาจารย์พิทัก์ท่านทำสวนทําอิติอยู่เคยอยู่กับหลวงพ่อในภาษาที่แล้วเป็นลูกศิทธิ์ที่ได้เรียนรู้อะไรจากหลวงพ่อเอาไว้อ น, นีิมบนท่านอาจารย์ตั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยสู่ทุกคนได้ฟัง ให้มันครับทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปนะนั่งเคลื่อนไห้ให้มันเกิดให้มันดับได้ยินเสียงให้มันดับไปไม่ใช่คิดต่อไม่ใช่เพลินไปกับความคิดตัวเองเกิดขึ้นแล้วไม่ดับเกิดขึ้นแล้วไม่ดับพวกเราไม่ค่อยดับเคลื่อนไหวไว้ขยับตัวไว้ให้กายให้ใจมันเคลื่อนมันไว้ใจเหตุตามเห็นตามรู้มันไป เสียงที่เข้ามากระทบเป็นอาการเคลื่อนไหวของรูปของสิ่งที่กระทบความรู้สึกนึกคิดรู้สึกอะไรจิตมันคิดแบบไหนตามรู้มันไปฟังไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยข อ, อนบน้อมเดอองสเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตพันธูตัสลูแจ้งโลกด้วยเสียงก้าวขอถวายความเคารพ หลวงพ่อมหาดีเล็กแล้วก็พระอาจารย์อาราเชนพระอาจารย์ประพันธ์ผู้ดูแลคอร์สและเพื่อนสหาหะมิกทุกๆลูกก็ขอจดดในศีลธรรมเมชอีอุบาสุกอุบาสิกาทุกๆท่านาฟังแบบไปเรื่อยๆเนะเาะ พระก็ชื่อพระพิทักษ์ชิยวุทธโธเพิ่งเป็นพระใหม่บวชได้เจ็ดพรรษานั่งปฏิบัติไปด้วยนะยกมือไปด้วยไม่ใช่นั่งจ้องจับทางพาพพุทยอย่างเดียวนะว่าถ้านั่งจ้องพระกรพุทธไม่ออกเหมือนกัน นั่งจองสชีวอย่างว่าโยมนั่งจองหน้าบางทีนั่งจองไปก็เขินเป็นเนาะพะเนาะนั่งทำไปเนาะก็ฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าพะจะลงตอนไหนนะอย่าเงียอย่าไปคิดได้ฟังไปเรื่อยๆอนนะฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อย ๆ, อยๆจะอ่า จริงไม่จริงแค่ไหนก็ฟังไปก่อนเพราะว่าการฟังก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้กายรู้ใจรู้รูปรูนำฟังแล้วเกิดความสุขก็รู้เกิดความทุกข์ก็รู้นะให้รู้อย่างที่พระเม่พรบาอาจารย์ท่านพูดเมื่อกี้ มันเข้าไปเสีความสุขความสบายแล้วก็รู้คือเราฝึกตัวรู้นี่ขึ้นมานะไม่ใช่ให้ไปห้ามความสุขความสบายด้วไอ้ตัวนี้เป็นองค์ของความรู้เนื้อรูตดัวนะเหมือนก็เรียกว่าสติสัมมชัญญะนะยกมือไปมันมีความสุขความสบายแต่เราก็รู้ว่ามันมีความสุขความสบายมีความพอใจมีความไม่พอใจปรากฏขึ้นอย่างนี้ มีความง่วงเหาเหานอนมีความเสื่อมซึมก็รู้ไปแต่ก็ไม่ทิ้งไอ้ตัว น, นี้ไอ้กระบวนการข้างในก็ปล่อยให้มันทําหน้าที่มันไปแต่เราก็ไม่ทิ้งอ่าการกระทําคือการเคลื่อนไหวอ่าด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่คิดรู้บางทีก็คิดว่าเอ๊ะใช่อย่างนี้หรือเปล่าใช่อย่างนั้นหรือเปล่าอที่พูดมานี่เอาประสบะการณ์ตัวเมาพูดตัวเก็เป็นเป็นมาเหมือนกัน ความอึดอัดขัดเคืองความอุดหิตความทุกข์ทุกข์มากเป็นเหมือนกันเดี๋ยวก็ไม่ได้บางทีก็ปรึกษาพระแม่คุบาจาันเอาที่นั่งอยู่แถวๆนี้พระก็ปรึกษาหมดแหละคุบาจรย์ถามโทรถามบ้างอะไรบ้างที่ถามเรื่องของการภาวนาก็ได้กําลังใจจากพระแม่คุบาจาันส่วนหนึ่งแล้วตัวเองก็ ไม่ละความเพียรในส่วนหนึ่งไม่ใช่ฟังแล้วก็ทิ้งบางทาีท่านก็บอกเราบางทีเราก็จําได้บ้างแล้วก็ลืมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้ว่วาก็เดินทําไปศึกษาไปด้วยความไม่คาดหวังไม่เอาอะไรไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรทุกก็ยอมรับว่ามันทุกสุข ก, ก็ยอมรับว่ามันสุข อะไรเกิดขึ้นก็ดูเรียนรู้ไปอย่างนี้ศึกษาไปเมื่อเราไม่คาดหวังเอาอะไรมันก็เลยเห็นความจริงปรากฏตัวขึ้นความจริงในกาย ใ, ใจปรากฏตัวขึ้นพราะเราไม่ได้เอาอะไรบางทีก็ไม่กล้าเดินเหมือนเราไม่กล้าไม่รู้ว่าน้ําเนี่ยมันร้อนจริงร้อนไม่จริงอยนี้เราก็คิดว่าเออกลัวมันจะร้อนอย่างเนี้ที่จริงแล้วมันอาจแชอ่อุ่นก็ได้ย่ี้ความรู้สึกใจมันคิดไปอย่างนั้นนะ่ะนะแต่ทีนี้ก็ร่าตกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างก็ ก็ศึกษาไปเรียนรู้ไปก็ไม่ใช่แบบเดินแบบไม่มีพระแม่ครูบาอาจารย์แนะนำนะก็ศึกษาตามที่พระแม่ครูบาอาจารย์บอกแนะนำแล้วสิ่งที่มันได้รับก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวนะมันไม่ได้อะไรหรอกในะความรู้สึกตัวแล้วแต่ก่อนนะเราเข้าไปเป็นยกับความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจความยินดียินร้าย คาดหวังต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ทีนี้กลับกลายมาเป็นรู้แทนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แทนไม่เข้าไปเป็นรู้ว่ามันมีอยู่รู้ปรากฏตัวอยู่แล้วก็ อ, อ๋อศึกษาแล้วก็อยู่กับมันได้เพราะว่ า, าเราจะไปประมาณยังไงมันกับมันอยู่ของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะแต่เราจะไปหยิบมันออกไม่ได้ เหมือนกายเรานะ่ะนั่งอยู่เนี่ยเหมือนเราเอาไปด้วยไม่ได้อย่างนี้แตใจเรารับรู้ได้กับสิ่งที่มันมีอยู่ว่าคือที่รับรู้นี่คืออะไรรู้ไหมไม่ใช่กองกองกองกองทุกมันเป็นกองทุกนะที่รับรู้อย่างคือกองทุกที่นั่งอยู่ที่รับรู้เนี่ย เ, เ, เป็นกองทุกคือเราเอามันไปไม่ได้ แต่ก็ศึกษามันได้แต่ก็ปฏิเสธนี้มันไม่ได้อันนี้ก็ อ, อยู่กับมันศึกษาไปปฏิบัติไปแต่ก็เรียนรู้อยู่อย่างเงี้ยอยู่เนืองๆเนืองๆสมาธิจะเกิดไม่เกิดก็เรื่องของสมาธินะสติไม่มีมีไม่มีก็เรื่องของสติแต่เราก็รู้อยู่อย่าเงี้ยรู้อะไรรู้ว่าลมพัดรู้ว่าได้กินเสียงรู้ว่า เหงาปวดหูรู้ว่าวันไหววังเวงตกใจเงี้ยอุ่นใจประมาณนั้นก็รู้ไปแล้วก็รับรู้เสียงนึงปรากฏขึ้นก็เรียนรู้อยู่เงี้ยแล้วสติมันก็เกิดจากการที่เราอาศัยเรียนรู้แหละบางทีนั่งไปนานๆมันรู้สึกว่ามันปวดจึงนะตามร่างกายก็ ศึกษาไปเรื่อยๆเ่อยๆอย่างนี้พอมันเกิดตรงนี้มันก็ดับไปมันก็ไปเกิดที่มาอีกมันก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ใช่คิดเอาได้เกิดดับทรงไซนเกิดดับคงจะเป็นอย่างนี้ละมั้งแต่ก่อนนั่นนะนี่หละมั้งคือเกิดดับมันมันพอคิดเอาอย่างนั้นมันคือไม่เกิดไม่ดับพอมีอะไรมนกระทบมันก็ไม่เกิดไม่ดับเด้โต๊ะพื้นมันก็ีิดไปตะพื้นตะบือไปลากยาวอะไรมันก็ไม่เกิดไม่ดับคิดเอาไม่ได้ เราคิดว่าอันนี้เรามังคือสมาธิฉันจะทําให้เกิดสมาธิอย่างนั้นก็ไม่ได้อันก็คิดเอาพอคิดอย่างนั้นน่ะทําได้ประมาณแค่แว๊บเดียวมันก็เผลอไปคิดไปแล้วแต่ถ้าเราศึกษาละ่ะได้ไหมขยับเนื้อขยับตัวรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจได้ไหมอันนี้ได้เพราะว่าอ่าใจมันจะกลับมารับรู้แล้วมันเรียนรู้มันเองอตัวมันเอง แต่เราคิดว่าเอออันนี้เรามัง ค, คือนั่นคือนี่อันนี้ไม่ได้แต่คิดเอาก็ลดแดดนะแต่ว่ามันก็คนต้องคิดก่อนนะเนาะต้องคิดก่อนแต่ก็ไม่ใช่ให้ปฏิเสธมันเดี๋ยก็ให้ศึกษาศึกษาดูแล้วก็ไปพยายามที่จะรีบเอาให้ได้ก็ไม่ได้จะเอาให้รู้ก็ไม่ได้แต่ก็ค่อยทำไปทำอยู่เนื่องๆทาต่อเนื่องเอาอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่า ในบทสวดก็บอกกันอยู่ว่าเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกนี่ไม่มีอะไรที่จะเอาสมาธิก็เกิดจากที่มันรู้เท่ารู้ทันแต่ก่อนพระเนี่ยก็คิดแต่ว่าอ่ไอ้ที่คิดว่าตัวเองรู้เนาะบางทีเนะ่ะคิดว่าไอ้หลงไปนะี่ะ อันนั้นคือไม่ใช่ไอ้ที่เผลอคิดเอาไปนะนะคือไม่ใช่ถ้าเราหลงจริงๆนะะหลงนะมันไม่รู้หรอกี่ถ้าเราเผลอไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วไม่เผลอบางที่มันคิดแป๊บอันคือเรารู้แล้วไม่ได้เผลอแต่ที่เผลอเผลอว่ามันคิดแล้วอ่าอันนี้คือเผลอตอนเผลอไม่รู้ตอนรู้ไม่เผลอจะไปคิดว่าไอ้ที่มันเผลอไอ้ที่มันคิดเอาไปว่าเผลอไม่ใช่อันคือรู้ไม่ได้เผลอแต่ถ้าเผลอไม่รู้หรอก นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเผลอมันไม่ น, ม น, น่าจะรู้มันไม่น่าจะรู้นะถ้าเผลอนะทุกคนมันก็มีสลับกันไปสลับกันม า, างี่แต่ถ้ารู้ไม่เผลอไม่เผลอเข้าไปในความคิดนี่ไม่เผลอเข้าไปในอ่าเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้ไม่เข้าไปไหลเข้าไปเสีบสุขเสีบทุกข์กับมันแล้วก็รู้รู้ทันมัน รู้รู้ทันด้วยกระบวนการอะไรก็ด้วยความรู้สึกตัวที่เราทําอยู่ไม่ใช่ว่ารู้ทันมันด้วยอะไรยังไงไอ้ไอ้ที่ยกมือเป็นอุบายใช่ไหมเป็นอุบายที่เราทําแต่ในกระบวนการนั้นมันก็เรียนรู้ทั้งหมดเรียนรู้ทั้งหมดในกายใจเรามันก็เรียนรู้ทั้งหมดแต่อันนี้คือเป็นอุบายที่ยกมือทํา เพื่อจะให้มีใจได้มีเครื่องอยู่นะมีที่อยู่มีที่เกาะถ้ามันไม่มีตัวนี้มันก็จะเรียนรู้กฎของธรรมชาติไม่ได้ใจของเรามันจะชอบไปอยู่ในความคิดโลกของความคิดคิดไปเรื่องอ่า ต, ต่างๆนานาไปเรื่องบ้านบ้างเรื่องคนน้ น, นคนนี้บ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างแต่พอเรามีการเคลื่อนไหวมันก็กลับมาตัวนี้เป็นตัวดึงหรือธรรมชาติ หนึ่งเรียกว่าให้ให้มันมีสติกระตุ้นนะสติเพราะว่าสติเองนี่มันก็เป็นอนัก ต, ตาเนาะแล้เวเราก็ฝึกฝึกอยู่เนืองเนืองฝึกให้มันรู้อยู่เรื่อยๆบ่อยให้มันชำ น, นิชานาญให้จิตใจของเรามันมาคุ้นอยู่กับความรู้สึกตัวหรือสติหรือพัฒนาตัวสติเพราะว่าอืมเราหลงมาเกิดเนาะมันก็คุ้นกความหลงสิใช่ไหม มันก็ไม่คุ้นความรู้เนี่ยองค์ความรู้ก็ไม่คุ้นก็คุ้นกับความหลงทีนี้เรามาฝึกให้รู้ไงฝึกให้รู้สึกตัวไม่ใช่ปเรารู้มาเกิดถ้าท่านรู้มาคงจะไม่ได้เกิดนะต้องหลงมาเกิดลงมาถึงรู้เนี่ยเรียกว่ามืดมาสว่างไปนี่รู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวแล้วสมาธิเกิดจากตรงไหนก็จะแตดตรงนั้นแหละสงบ มีสมาธิมีสติมีความมีเวกแล้วแลีอยู่มีความผ่อคนคลายความปวดโพงความโล่งแล้วที่นี้ความผ่อนคลายความปวดโพงความโล่งมีเวทนาปรากฏขึ้นไหมก็มีนะก็มีความไม่สบายใครเป็นโรคอะไรก็ปรากฏขึ้นเหมือนเดิมแต่ไม่เข้าไปเป็นกับมันมีปัญหาอะไรอยู่ที่บ้านก็มีเหมือนเดิมแต่ก็รู้ปัญหาอยู่ไม่เป็นปัญหานะไม่ใช่เป็นปัญหาเดียเริ่มรู้ปัญหา และทีนี้ก็จะไปแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าแต่ก่อนนี้เราจะไปเป็นปัญหานะใช่ไหมทีนี้เราปฏิบัติไปประเดี๋ยนมาเริ่มรู้ปัญหาแล้วปัญหาใน อ, อตัวเราเองแหละก่อนเบื้องต้นคือปัญหาตัวเราก่อนคือหลวงพ่อเคยพูดว่าถ้าแก้ปัญหาเเรื่องกายเรื่องใจตัวเองได้เนี่ยปัญหาข้างนอกก็ยากเพราะว่าปัญหาข้างนอกก็เกิดจาก เรื่องของความที่เราไม่รู้นะสับสนสับสนปัญหาในชีวิตตัวเองนะมันก็เลยส่งผลไปข้างนอกข้างนอกก็ส่งผลข้างในเหมือนกันข้างนอกส่งผลข้างในยังไงก็เหมือนเรื่องของร่างกายเราไม่เข้าใจมันนั่งไปมันตึงมันเครียมันปวดเราไม่ขยับขยื่นมันทําให้มันอุดอัดนะแน่นตึงมึนเบอรบอืแล้วทีนี้ผสมกับความตัญหาคือความอยากของเราแล้วความทยานอยากเราแล้วผสมลงกันเราไปบักใหญ่เลยทีนะัะ ก็เลยทำให้ตัวเองเกิดความเพ่งเพ่งแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจไม่รู้เพราะไม่ได้เข้าใจในเบื้องต้นไม่เคยได้เข้าใจในเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือการเห็นถูกเห็นตรงการเห็นถูกเห็นตรงเห็นยังไง ร, รู้ยังไงตอนนี้นั่งสบายไหมพอใจไม่พอใจเอ๊ะเราอยากจะนั่งอย่างนี้ไปนานๆเอ๊ะเราต้อจะเปลี่ยนก่อนนะดัดนิสัยตัวเองอ บางทีมันรูนส้สกวเออมันนั่งท่านี้มันรู้ดีว่ะมันมีความสุขดีว่ะเออเราเปลี่ยนท่าสิอย่างเงี้ยมันก็เสียดายด้วบางทีนะเสียดายไม่ได้จะเปลี่ยนเอาเปลี่ยนมันก็เป็นความตื่นอ๋อเอากอัตภัหลังมันเป็นความเผลอความเพลินใช่ไหมมันจะไหลเข้าไปสู่ในความเผลอความเพลินแล้วไอ้ความสบา ย, ยางั้นที่หลวงพ่อเคยพูดว่าไอ้ความสบายก็ประมาณว่าอ่ประมาทอย่างเงี้เนาะเคยได้ยินอยู่พระเคยฟังใน youtube อะไรอยเงี้ยประมาทอ๋อคนสบายสบายมากก็ไม่ดีประมาทอย่างนี่ อะไรมันก็ไหลเข้าไปความเผือกและความเพลินได้อยู่ให้ตรงการด้วยองค์ความรู้ดีกว่าบางทีมันคอเรานั่งที่เสื่อมันสบายแล้วขยับท่านี้เมันไม่สบายแต่มันตึงมันตึงนะัตึงขาแตม่มันรู้นะแล้วมันก็ตื่นนะจะดีกว่าไหมเงี้ยอาการที่เราไปเสีความสบายกับการรู้ตื่นอะไรเดียวกันพระก็เห็นความแตกต่างของการเปลี่ยนท่าจริงใจก็ไม่อยากเปลี่ยนอีก็นั่งอ่าเสีบอารมณ์สบานั่งไป <c oughs> มีความสุขดีเลยนะแต่ว่า เพื่อนศูนย์ไม่ได้นะศูนย์ไม่ได้คือแย่ไม่ได้เศูนย์คือกันได้ไงซูนย์ว่าตัวเองคักไปอย่างนั้นนะนะจริงๆแล้วทำลึกๆก็ทุกไหมทุกเดะทุกแต่อาการตื่นมันอาการตื่นมันก็มีความสบายแล้วเมื่อมีคนกระทบมันก็ไม่ติดไม่ติดคือมันไม่คิดเลยนะไม่ไปคิดเลยมันมันผ่านมันจบตั้งแต่ตัวมันแล้วไม่ต้องไปถามว่ารอให้ใครกระทบไหมไม่ต้องหรอก จบกระบวนการเหล่าน like well, like ั้นไปแล้วนะนะเป็นอย่างนั้นในกระบวนการของการศึกษาแล้วการศึกษาก็ที่พูดมาก็ส่มากจะเป็นผลนะไม่ใช่เหตุเหตุมันก็ลงมือศึกษาปฏิบัติเจอเวทนาเจอความง่วงเจอความอุดตั้งความขัดเครื่องความทุกปัญหาทางบ้านต่างๆนานาปัญหาทางชีวิตตัวเองต่างๆนานาอย่างเงี้ย บางทีภาคก็คิดไปเหมือนกันเอ๊อยู่ที่บ้านพ่อแม่เป็นยังไงเนาะทำอะไรนะเนาะทำงานเป็นยังไงเนาะเอ๊เราอยู่อย่างเงี้ยเราตอบบุญแทนคุณท่านได้แค่ไหนก็คิดไปเอ๊ถ้าเราเสือ่ อ, อกไปเราจะตอบบุญแทนคุณได้แค่ไหนอย่างงี้เอ๊ถ้าว่าอยู่อย่างนี้เราก็ประเมินตัวเองว่าอ๋ออยู่นี้มันสบายกว่าเราสบายแล้วสิ่งตัว น, นี้มันอาจจะไม่ได้อะไรไม่เห็นรูปธรรมว่าได้บ้านได้รถได้ เ, เมีย เนาะนี่ถ้าสืบนะสมมตินะได้มีอะไรได้ไหมถามว่าความจริงมันได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือความคิดนะคือความคิดคือประเมินไปเแต่ว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้อะไรแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของนามธรรมไอ้ตัวที่นั่งอยู่ทุกคนก็ต้องเอาไปไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความสบายทางจิตวิญญาณ น, นะแล้วทุกคนก็ทุกปัญหาทุกทางนี้ บางคนมีนั่นมีนี่เยอะแยะก็ไม่เห็นว่ามีความสุขอะไรมากมายก็ทุกข์อยู่เหมือนกันเด้ยอย่างเงี้ยเอพวอเราอยู่อย่างนี้ดีกว่าไหมปฏิบัติไปงี้ดีกว่าทั้งที่ธรรมใจมันอยากสึกไหมบางทีมันไปอยู่กับความคิดก็อยากสึกแต่มันอยู่กับความรู้สึกตัวมันก็ลืมไม่มีสิ่งนั้นมาปรากดรบกวนแต่ก็เรียว่าขอตอบบุญแทนคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์ แล้วก็ตอบแทนบุญแทนคุณตัวเองอที่ได้เอมาปฏิบัติที่อตอนนี้ยังหนุ่มอยังน้เนาะไปทนายน้อย ข, อ ข, อขอวยายัดขว่ายมเงี้ยยัดยมอาจจะนั่งก็โอ้ยนะลูกก็โอ้ยเงี้ยอะไรก็โอ้ยโอ้ยโอยนะไม่รู้เป็นอะไรกันนะเริ่มมีแต่ความโอยๆ อ, อย่างนี้นะมีความปวดความเมื่อยความเจ็บความสบายความเสื่อมชราต้อเข้ามาเยือนองนงี้ แต่พาก็ไม่ได้ประมาทในตรงนี้เพราะว่าเห็นว่าตัวเองยังหนุ่มความตายมันไม่ได้บอกว่าแก่หรือหนุ่มใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติไปเพราะว่าการปฏิบัติมันก็ช่วยได้นะปัจจุบันนี้นะที่คนที่มีกําลังภาวนาอยู่อย่างพักเอง ก, <ๆ>ก็ก็ฝึกไปเรื่อยๆเยฝึกไปศึกษาเรื่องอย่างนี้เลยเรื่องของกายของใจแบะมันก็ไม่ได้อะไรหรอก ไม่ไม่ได้่างที่คิดหรอกนะมันก็ได้อย่างที่มันได้แหละได้อะไรได้รู้ได้รู้นะได้รู้อะไรรู้สึกตัวเออได้รู้สึกตัวนะมันก็ได้รู้สึกตัวแหละอ่ได้รู้สึกตัวได้รู้ตัวเองว่ามีความร้อนมีความเย็น นั่งอยู่นี้ก็มีความร้อนและความเย็นปรากฏอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ร้อนทั้งหมดอ่าถ้าสังเกตดีๆนะบางทีโว้โหตรงนี้ร้อนจังเลยว่ะอ้าสังเกตดีๆมันก็มีความถ่ายเทอย่างเงี้ยเรือขอยับลมมันก็เข้ามนุษย์พ่อชอบพูดว่าเอาของเสียเอาของเก่าของใหม่เข้าใช่ไหมเปลี่ยนเป็นความที่มันเสื่อมแล้วก็เปลี่ย น, นก็ความสบายก็เข้ามามาแทนอย่างงี้เพื่อเป็นการถ่ายเทแล้วทีนี้กายเย็นหรือใจเย็น ใช่ไหมก็ต้องตรวจสอบอ๋อตอนนี้ก็กายกายก็ร้อนใจก็เป็นไงก็สบายๆนี่ปลอดปร่งดีอยู่นี่แล้วมีความอยากได้อยากยึดไหมล่ะเราเห็นความอยากมันมก็รู้ความอยากนี่อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้รู้รู้ไปอะไรแหละนะไม่ต้องไปว่าเอ้ยฉันไม่รู้เหมือนคนนู้นฉันไม่รู้เหมือนคนนี้ก็รู้รู้เหมือนเราอะที่มันปรากฏตัวอยู่ที่มันมีอยู่อย่างพระเองก็ศึกษาอย่างนี้ศึกษาอยู่นึงนึง อยู่เนืองเอยู่เนืองเนืองทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งอุดอัดขัดเคืองทั้งแก้อารมได้บ้างทั้งแก่ไม่ได้บ้างทั้งติดขัดเข้าไปเรียนรู้มันเกิดมาอย่างไงแล้วก็เปลี่ยนถอยมาศึกษาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้แล้วบาเท็มันก็เกิดความวาปหนึ่งเกิดขึ้นไอ้ความวาบหนึ่งคือความรู้สึกตัวที่มันรู้นะรู้อ๋อ ไอ้ความสบายมันผ่อนคลายเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เราคิดเอาว่าเอ๊ะมันทําไมเราไม่เห็นเหมือนเดิมวะทําไมเราไม่รู้เหมือนเดิมวะบางทีมันจะมีช่วงเข้าไปแบบสําคัญแล้วบางช่วงก็เป็นเห็นเป็นใจรักไงเห็นเป็นใจรักเป็นกระบวนการนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วก็ความสบายผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าเอ่อเห็นท่าแล้วสบายไม่ใช่บางทีก็เข้าไปสําคัญบางทีก็เห็นเป็นแต่รู้เป็นใจรักษ อยู่อย่างนี้เรื่อยๆอยู่งี้เลยเมื่อรู้เป็นไตรลักษณแล้วมันก็สบายสบายทําไมถึงว่าสบายถ้าเราเห็นเป็นเราอยู่นะมันก็ทุกข์มากเพราะยึดใช่ไหมอ่อไม่รู้นะทุกคนเป็นยังไงไม่รู้นะถ้าเป็นอย่างไงมันก็ยึดนะแต่พอเมื่อเห็นเป็นเข้าใจเป็นเห็นเป็นไตรลักณหรือมันเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วน่ะมันก็เบา มันก็เบาทําไมถึงว่าเบาเพราะว่แต่ก่อนเราไม่เห็นเป็นไม่รูปเป็นสมาธิมันก็เข้าไปจัดการไปแก้ไขอะไรมันบ้างมันก็พัวพันเป็นหมดก็ทให้เราทุกข์แต่เมื่อเราเข้าใจถูกแล้วบางทีมันเกิดความตึงขึ้นมาเล้ก็คิดจะไหมกลัวจะไหมว่าต้องแก้ไขยังไงบางทีโทรหาครูบาอาจารย์ทำครูบาอาจารย์กายคาตอบมาที่ประทับใจแต่บางทีก็เราไปทํามันก็เป็นหมอนเองท่านว่าอย่างนี้ ทำไมเป็นอย่างที่ท่านว่าพราเรายัไปไม่ถึงจะไม่ไม่ถึงจุดนั้นเราก็แก้ไขเราไปเรื่อยของเราไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยศึกษาเดินท่านั้นบ้างท่านี้บ้างบางทีมันก็อยากจะเดินท่าเดิมเดิมเราก็เดินข้างๆบ้างเดินหน้าถอยหลังบ้างมันก็เห็นความแตกต่างยกขาถึงสูงบ้างหรือเดินแบบแช้าบ้างเดินเร็วบ้างเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ น, นะเพื่อเป็นการจาริตใจรู้แล้วที่นี้เมื่ออารมณ์อะไรนปรากฏตัวขึ้นหรือความรู้สึกปรากฏตัวขึ้นมันก็ไม่พิจูกรังบุกับมันเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าอ๋อแต่ก่อนที่เราไปสําคัญเนี่ยไปแก้ว่ามันเพ่งมันอะไรมันยึดอะไรเนี่ยเราเข้าใจผิดหรือเราเห็นผิดเมื่อคิดว่ามันแก้ได้ใช่ไหย เราก็ไปแก้โดยที่เราไม่ได้ดูก่อนเราคิดว่าเป็นอะไรเราก็อยากไปแก้ไขเลยอย่างนี้เราไมได่ดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไร อ, อ๋อถ้ารู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขแก้ก็อาจจะต้องแก้อะไรมากมายแก้ขยับเนื่อขยับตัวก็หายหรืออาจจะดูไปก่อนบางทีเรียนรู้ไปดูไปมันก็หายมันเองอ๋อโดยที่ไม่ต้องแก้มันก็เห็นเป็นอย่างนั้น มันก็เลยไม่ได้เพ่งไอ้ที่เพ่งนั้นก็ไอ้คิดว่าเพ่งนั้นก็มันก็เข้าใจว่ามันก็ตกอยู่ภายใต้กฎของปฏิรรศแต่เราไปกลัวก่อนมีความกลัวใช่ไหมมีความกลัวเข้าไปพอเพิ่มก็เพิ่มันก็พยายามจะแก้ไขก็กลัวที่จะมันจะกลัวอะไรก็กลัวทุกกลัวจะทําไม่ถูกเงี้ยก็แก้ไขไปแต่จริงพอเราดูมันจริงๆแล้ว้อง้ความกลัวหรือความเพ่งไอ้ความตึงความเครียดอะไรนี้มันก็ตกอยู่ภายใต้กฎของพปฏิรรศไม่ได้ความเบอรความซึม ความง่วงนอนมันก็ตกอยู่ไปใต้กฎผดของพระแต่รักแล้วทีนี้ง่วงนอนด้วยอะไรด้วยร่างกายมันเพียนะไม่ใช่ด้วยนิวรณ์นะต้องแยกออกก่อนแล้วบางทีเอาเอาเป็นรวมกันอย่างเงี้ยง่วงของร่างกายก็คือว่าร่างกายเราเพียทำงานหนักทำงานเหนื่อยมามันเพียอ๋อทีนี้เราทำยังไงต้องปรับสมดุลของร่างกาย ปรับสมดุลของร่างกายเพื Aquí, vor, ่อจะอ่ามาให้มันเหนื่อยมากหรือเพียมากยังไงอย่างพวกเรนั่งนานๆหรือเรายืนนานๆก็เปลี่ยนท่าหรือทําอะไรหรือโยคะหรืออะไรทํางานสวดทํางานเยอะวันนี้ก็พักผ่อนหรือวันนี้ปฏิบัติอ่าเดินท่าเดียวก็เปลี่ยนท่าบ้างเปลี่ยนอิริยาบถศึกษาไปเรื่อยเป็นการปรับสมดุลทุกอิริยาบถเป็นการปรับสมดุลหาความพอดีให้ตัวเองอยู่เรื่อย ใช่ไหกว่าไม่ใช่ว่าจะทําอย่างนี้แล้วก็จะจะตายตัวเลยมันก็ไม่ใช่กดตายตัวคือความไม่เที่ยงแลก็ปรับหาความพอดีอยู่เด้เลยด้วยบางทีเราขี้เกียจปรัปบขี้เกียจปรับก็อยากนั่งนั่งท่านนี้ก็สบายแล้วยนั่งท่านนี้นั้ น, นประมาณนั้นน่ะไม่ใช่ปรับแล้วก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนค่ายอย่างที่เรางพ่อเคยพาเปลี่ยนหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทําในครสนี้อย่าเงี้ยแล้วก็เปลี่ยน ศึกษาบางทีเราไม่อยากจะเปลี่ยนมันอยากจะเสพอยู่ท่าเดียวมันจะคิดว่าเออเป็นไรล้วก็สนุกดีเพลินเดียว อ, อันนั้นน่ะสุดยอดเลยครับของสมรรถะนี่อ้สมรรถะเป็นเรื่องของสมรรถะนะที่พอเราตื่นออกมาพอมีขุบจันร์มาสะกิดหน่อยก็ก็ทําตามไปอย่างนั้นแต่จริงเราอยากจะทำหรอกไะจริงเรามันก็ขี้เกียจทําขี้เกียจเคลื่อนไหวนะถามว่าทุกไหมทุกเนี่ยงั้นมันทุกแต่พอเราเข้าใจเราตื่นแล้วถึงรู้ว่าโอ้โหเป็นทุกอย่างนี้เป็นทุก เราไปเสพสุกเสบทุกข์อยู่ไปติดสุขติดทุกข์อยู่อย่างนี้มันทําห้เราทุกข์แต่พอเราตื่นออามาเคลื่อนไหวเดียวกว่าตอนนี้มันจะรู้ไม่ลุกก็ช่างมันเคลื่อนไหวไปเนี้ยเคลื่อนไหวอันนี้เป็นอุบายที่เคลื่อนไหวอยู่แต่สิ่งที่ศึกษามันอยู่รอบตัวเราทั้งหมดไม่ใช่อยู่ที่เดียวแต่ให้เราอ่ารู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวด้วยกันที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ใจนิ่งเงียบเงียบเงียบเงียบเงเงียบเงบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงีย บางทีใจมันคิดอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกตัวก็คือรู้แหละมันก็รู้แบบไม่มีภาษาเนาะไม่มีภาษาบัญญัติเป็นความรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ไปเฉยๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่เรื่องของสังขารแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนก็อายุมากอายุน้อยแตกต่างกันไปรวกเวทนาทางร่างกายก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มีความง่วงมากเวทนาทางกายบางคนกินยาบางคนไม่กินยาบางคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ปรับหาความสมบุรณหาความพอดีของตัวเองไปอี เพราะว่าเป็นการศึกษาหาความพอดีให้ตัวเองเด้เพราะว่าหาเครื่องอยู่ให้ตัวเองเนี่ไม่ใช่หาเครื่องให้พระอยู่ไม่ค่หาเครื่องให้พระเนด้หาเครื่องอยู่ให้ตัวเอง <Okay. S 1> เองอด้เ ร, ออ เ, ดเราหาเค้ื อ, อยู่ตัวเองนะเป็นยังไงที่มันเกิดขึ้นมันตึงมันเพ่งแต่บางคนก็ปรากฏอยู่มันกันทั้งหมดนี่แต่มันก็ไม่เหมือนกันบางคนตันนีก้ก็อ่าทุกอ่าทางกายบางคนวันนี้ก็ทุกทางใจอย่างเงี้ยทุกไม่เหมือนกัน แต่มันก็อยู่ในกายใจเหมือนกันแล้วทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนหาความพอดีศึกษาอยู่เรื่อยๆศึกษาหาความพอดีอยู่เนืองเนืองอยู่เนืองเนืองอยู่เนืองเนืองอยู่เรื่อยอย่าง พ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินฮขึ้นเขาเหยียบหินเดินถอยหลังนี่ล้วก็รับรู้ไปอย่างนี้รับรู้ไปแต่ส่วนมากทุกคนจะชอบไปอป๊โอน่าเหมือนโยมใครนั่งรู้พูด เดินขึ้นมานะว่าใจมันกลัวเจ็บองี้มันกลัวเจ็บมันไปขับประครองเนาะกลัวเหมือนเลี้ยงลูกอะเนาะผู้หญิงประมาณนั้นอะมั้งกลัวโดนเจ็บกลัวบางคนหรือเปล่าไม่รู้จริงก็ปล่อยมันเหยียบดูซิมันเจ็บจริงหรือเปล่านี้มันก็เจ็บอยู่เจ็บที่กายใช่ไหมไม่เจ็บที่ใจมันก็เรับรู้ตามความเป็นจริงก็รู้ว่าเจ็บไม่ได้เข้าไปเจ็บอย่างเงี้ยแต่บางทีไม่ได้เหยียบไม่ทำอะไรโอ้เจ็บเจ็บปวดปวดพวกเนี้ยแต่จริงแล้วมันก็คิดไปก่อนคิดล่วงหน้าไป จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่นะแต่เราก็อจาทิ้งการเรียนรู้แหละเรียนรู้ไกล ร, รู้ใจศึกษาเรื่องของสมาธิิสมาธิไม่ใช่คิดเอาได้ว่านี่หรือเปล่าใช่สมาธิเมื่อมันเกิดสมาธิิแล้วก็อ๋อมันก็จะไม่หลงไม่ลืมสลับหน้าอย่างนี้ก็ไป็นแบบนะไม่ใช่ว่าเดินพอพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วพอครูบาอาจารย์พูดปุ๊บเขเข้าใจแล้วเดินไปสามเก้าลืมแล้วว่าสมาธิคืออะไร ถ้ามันรู้จริงๆมันสลับหน้าอย่างนี้ก็ไม่ดุดนะตีลังกามันก็ไม่หดุดนะถ้ามันอ่ามันเป็นเองแล้วนะถ้ามันรู้ในตัวเราแล้วมันมันจะไม่หลุดหรอกมันจะไม่เสียมันจะไม่หายนะมันจะไม่เสียมันจะไม่หายมันก็มันจะไม่หลุดหรอกมันก็จะรู้ตัวเองนั่นแหละแต่ว่าทีนี้สิ่งที่เป็นสมารถทีแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันก็จะพัฒนาตัวไปแต่สิ่งที่ยังไม่รู้มันก็จะรู้ด้วยการอะไรด้วยการกระทําของเรา ใหม่ๆคนบางคนอาจจะต้องได้ยินใด้ฟังได้ยินใด้ฟังก็เข้าใจเอี่เหมือนพาพาโยปฏิบัติก็พูดให้ฟังนะพูดให้ฟังแล้วพูดให้ฟังแล้วเขาก็ถามถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทีนี้โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงก็พาเขาไปปฏิบัตริรู้จะพูดยังไงก็พูดเราก็ารู้สึกว่าเราจะฟุงะ้งระหว่างเงี้ยหรือพูดไปมันก็เป็นแบบอืมแล้วก็พาไปปฏิบัติพาเดินจงกรมพานั่งเปลี่ยนท่าพาทําไปทํามา เออพาเขาทำเขาจะรู้ไหมนะก็คิดอยู่ในใจอยู่นะตัวเองอะนะเขาจะรู้ไหมนะแต่ทีนี้่าพาทําเงียบๆไปทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วทําไปทํามารู้สึกว่าอ๋อบางคนอะต้องพูดให้ฟังเขาก็เข้าใจแต่บางคนต้องพาปฏิบัติเขาถึงจะเข้าใจบางคนไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอะไรก็พาเดินอย่างเดียวพาเปลี่ยนท่าพาเปลี่ยนอิเดียวดพาเดินซําแล้วซ้ำแล อันนั้นใจมันหลับรู้ใช่ไหมเจนไปเห็นเองเหมือนเราว่านั่งเปลี่ยนท่านะเปลี่ยนอย่างนี้นะเปลี่ยนอย่างนี้เหมือนพระน่ะพระก็ทําเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากรก็ไม่รู้อะไรเอาไปมาตัวเองเข้าใจไปด้วยอ๋อนี่จะไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิพระยมปฏิบัติตัวก็เข้าใจไปด้วยเด้เข้าใจไปโอ๋นี่เรียกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้ใช่ไหมด้วยการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนบ่อยบ่อยเปลี่ยนบ่อยบ่อยพอพอเปลี่ยนปึ๊บมันก็เกิดความสบายใช่ไหมใจเราก็เป็นเสพความสบายเหล่านั้น อ่าพอได้ถึงประมาณกกคา ว, ว่าห้างาที่ก็เปลี่ยนอีกก็สบายใจก็เปเสสิเหล่า น, นั้นแล้วก็เกิดความไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนอีกใจก็เปเสพสิ่งเหล่า น, นั้นเปลี่ยนอยู่บ่อยๆแล้วจนใจมันเห็นความจริงว่าโอ้ไอ้ความสิ่งนี้มันมันไม่เที่ยงนะมันก็เปลี่ย น, นก็สบายอยู่แต่มันก็ยึดไปไม่ได้หรือบังคับบัญชาไม่ได้หรืออ่า รักษาไม่ได้เอ้หรือการองไม่ได้เฮ้ยเราต้องทํำยังไงโอ้มันเราได้แค่บําบัดนะทางกายก็บําบัดไปมันปวดมันเมื่อก็บําบัดไป บ, บําบัดไปเออมันปวดเนี่ยมันก็นั่งกับขยบตั้งเมันปวดใช่ไหมมันก็สบายมีหรือเปล่าที่หลวงพ่อว่าเปลี่ยนอ ก, กุศลให้เป็นกุศลเห็นไหมกุศลคือความไม่ออ ก, กุศลคือความไม่สบายกุศลคือความสบายแล้วนะอที่หลวงพ่อเคยพูดอยู่ห้สวดว่าเมื่ออกุศลมันเกิดขึ้นก็รีบดับ เมื่ อ, อกุศลเกิดขึ้นก็รีบพ่อคุณไว้เยอะๆยังไงวะนั่งฟังงงกับการเอบชนกับไปไปเก็บอารมณ์ด้วยกันเป็นยังไงเนะาะอกุศลอกุศลเป็นยังไงเดี๋ยวพอมาเข้าใจอ๋อคือความส บ, บายก็ออไม่ส บ, บายนะเมื่อมันไม่สบายก็ทำให้สบายโอ้เมื่อมันส บ, บายแล้วก็พ่อคุณไว้เยอะๆใช่ไหมดีกว่าจะทำให้ไม่ส บ, บายใช่ไหมอ่าใช่ไปใช่ก็เรื่องของของพันของโยมเรื่องของเราทุกคนเนาะ อเรื่องของใสของมันเนี่ยก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าบางคนก็ต้องพาทําไม่ต้องพูดอะไรเลยอย่างเงี้ยพาทําพาปฏิบัติไปใจมันจอรับเองไม่ใช่ด้วยความคิดบางคนพูดได้ฟังหรือด้วยวิธีการอ๋ออย่างพระเนี่ยพูดให้ฟังปุ๊บให้เป็นยังไงกุศลอกุศลพอไปปฏิบัติมันก็เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นนี้ใช่ไหมใช่ป่ะเอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่าเนีย่ยมันอ๋ออย่างนี้เหลือที่ว่ากุศลหรืออกุศล มันจะอย่างนั้นเลยนะจะตอบเป็นตัวมันเลยมันจะแบอ long, ๋ออย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมมันจะไม่มีอย่างนี้พันีอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเรียกว่าอกุศลอกุศลมันเป็นอย่างนี้วิธีการเปลี่ยนการดับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันจะตอบเป็นตัวไปทั้งหมดจะรู้อย่างนั้นแล้วบางคนก็อพูดให้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ลงมือพาปฏิบัติก็พาปฏิบัติพาเปลี่ยนท่าพาเปลี่ยนท่าไม่ใช่ว่าพูดนะ ก็พาเปลี่ยนพาธรรมพารมไปพาทำไปเรื่อยๆใจของของโยมคนนั้นก็เลยบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันดูแล้วว่าบุญทําที่ไหนบุญก็อยู่ที่ใจเขาว่านะแต่ก่อนฉันคิดว่าบุญต้องไปสร้างนั่งสร้างให้เยอะๆที่จริงแล้วบุญอยู่ที่ใจ อ, อ๋อแสดงว่าเราเข้าใจสมามมรทติถิ่แต่โยมัเข้าใจเรื่องของบุญ <laughs> ปฏิบัติวันเดียวกันประมาณสักอยู่ที่สํานักกนะั้นประมาณก่อนจะฉันข้าวพาปฏิบัติ ก็ร mm ู media, good, <cas ello vivo> ้สึกว่าโอ้ก็เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้มันไปคิดเอาไม่ได้แล้วก็เห็นอาการที่อยากได้มันเดิมอยากเป็นมันเดิมมันก็ไปคิดเอาไม่ได้ปวดหัวแล้วก็เป็นความเครียดไปเร่งไปรีบที่จะทำมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้นะรับรู้กับสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่ละขณะหนึ่งแต่ละขณะหนึ่งของใครของมันนะตามความเป็นจริงของเราทุกคนเนาะ สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากพูดไปก็สนุกดี <c oughs> ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนนะมาพิจาหลาทองาเข้าใจอารมณ์รูปนาเบื้องต้นจนเชื่อมต่อเข้าสู่อารมณ์ประมัตด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิน ภาวนานี่เนาะเหมือนจะเป็นเรื่องอยากแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องง่า ย, ายเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่ก็ดันเป็นเรื่องอยาก <c oughs> มันเป็นศาสตร์และศิลป์จริงๆนะภาวนานี่ถอดคำพูดมันเป็นการกระทาจากการกระทาเป็นการสัมผัสจากสัมผัสเ ป, เป็นการเข้าใจเข้าใจนี่มันเข้าไปในใจจริงๆนะ มันต้องกระจ่างแจ้งประจับแจ้งวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราความอะโลโกความแจ้งมันเกิดขึ้นแล้วแก่เรานั่นเล้ถอดความคิดถอดคำพูดเป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงทิฏฐิสมมุติทิฏฐิมีหลายระดับทิฏฐิจากการได้ยินได้ฟังอ๋อเข้าใจลนะเข้าใจลนะไปลงมือทํา เป็นลงมือถามอ๋อมันคือแบบนั้นแบบนี้ใจอธิบายระดับกลาง ร, ระดับละเอียดจิตมันเก็ตเลยสัมผัสสภาวะตรงๆ ร, ร, ระดับละเอียดที่เป็นทิฏฐิมีสามระดับมันเป็นศาสตเป็นศิลปาภาวนาเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจได้จากการคิดได้อย่างเดียวคิดได้เข้าใจได้ระดับหนึ่งแต่ใจต้องสมัมผัสสภาวะด้วยรู้จากตัวตนเหมือนเรานั่งอยู่นี่ เราคิดถึงบิงซูอย่างเงี้ยอัตมาไม่เคยกินนะพอดีเห็นผ่านตาแวบๆบแบบไม่เคยกินบิงซูนะเราก็ได้แต่คิดว่าอ๋อมันคือแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าวันในวันหนึ่งโยมเอาบิงซูมาถวายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราคิดเอาไม่ได้จนกว่าเราจะได้สัมผัสอาการเหล่านั้นแต่มันมีศาสตร์มีศิลที่เป็นพ้อยอยู่เรื่องหนึ่งศาสตร์และศีลของการภาวนา ทำยังไงที่เราจะศึกษาได้ศาสตร์และศิลป์รวมกันตรงนี้นะศึกษาสติสิกขิคืออาการศึกษาทำยังไงเราจะศึกษาได้ปกติเราศึกษาธรรมชาติที่กําลังเกิดขึ้นที่กําลังเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นคนเป็นเพราะเราจมเข้าไป ความรู้สึกตัวความรู้ซื่ อ, อการสัมผัสรู้การตื่นรู้เป็นอาการที่ทำให้ใจเกิดทักษะของการศึกษาศึกษาอะไรศึกษากายศึกษาใจศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติทั้งหลายไอ้ที่เราสวดไอ้ที่เราได้ยินไอ้ที่เราได้ฟังไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดต้องเกิดจากการศึกษา ทำยังไงจะศึกษาได้เราต้องจับมันตั้งบนโต๊ะให้เป็นก่อนทุกเรื่องนะเหมือนอาตมาพูดเม่กี้นะของกินอะไรสักอย่างถ้ามันไม่ได้ตั้งอยู่บนโต๊ะเราไม่ได้ตักไม่ได้เอาเข้าปากเนี่ยยังไม่เรียกว่าศึกษาเราจะเข้าใจกายเข้าใจใจเราได้ยังไงถ้าเราไม่จับเอากายเอาใจเรามาตั้งรอบนโต๊ะแล้วนั่งดูมันเราก็จะศึกษาไม่ได้ วิธีการกา่าความรู้สึกตัวเนะี่ยเพื่อจับเอาอาการกายอาการใจความเป็นไปของกายของใจเราจับขึ้นมาประกดต่อหน้าแล้วนั่งดูมันแค่นั้นแหละศาสตร์และศิลเลาาเื่อนนี้รวมอยู่ตรงนี้เราทำอย่างนี้ได้ผลของมันคืออะไรเราก็จะเข้าใจมันนั่นแหละไม่ได้เรื่องพิสดาร น, นะพอพูดให้ง่ายเนะี่ยง่ายแค่นี้เองแต่ก่อนจะมาพูดว่าง่ายขนาดนี้ก็หัวที่หัวตามพอกันนั่นแหละ ทำอะไรนักหนาไม่รู้พอเข้าใจแล้วอ๋อเราวิ่งเลยป้ายไปตั้งเยอะไปทําให้มันเป็นไอ้นั่นไปทําให้มันสบายไปทําให้มันทุกไปทําให้มันสุขไปทําให้มันเป็นโอ้ยสารพัดจะทําให้มันเป็นพอเข้าใจของเรื่องอ๋อมันก็แค่ทําอาการศึกษากายศึกษาใจให้เป็นเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายพอเราศึกษากายศึกษาใจเราก็เข้าใจความเป็นไปของกายของใจเหมือนท่ตั้งพูดน่ะ คนส่วนใหญ่น่ะจะอยู่ภายใต้ว่าโอ๊ยกลัวมันจะเจ็บเห็นไหมโอ้ยไอ้นี่มันน่าจะร้อนน้ำร้อนนี่มันน่าจะร้อนไอ้นี่มันน่าจะเจ็บเด็กมันติดถ้ำเพราะมันเคยทําไอ้นั่นเพราะมันเคยทําไอ้นี่แบบเดียวกันไหมกับเห็นแก้วน้ําแล้วบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะร้อนท่านตั้งว่ามันอาจจะแค่อุ่นก็ได้ท่านเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่สัมผัสแบบเดียวกันว่าอะไรเกิดขึ้นหนึ่งเรื่อง อะไรที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเหนึ่งเรื่องเราจะมีชุดความคิดเอาไปใส่อธิบายมันว่ามนุษย์ปกติมนุษย์ทั่ ว, วไปเด็กติดถ้ำสารพัดทั้งวิทยาศาสตร์สา ย, ยาศาสตร์ตกกากศาสตร์โลกระศาสไปรวมกันที่นั่นเครื้องเลยเห็นไหมเพราะทุกคนต่างมีคำอธิบายต่อปรากฏการณ์หนึ่งสิ่งที่เกิดว่าแต่ไม่มีใครที่จะเอามือไปจับดู เด็กมันติดถ้ำเพราะน้ำมันขึ้นจบนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือข้อเท็จจริงน้ำมันท่วมถ้ำเด็กออกไม่ได้เด็กเลยติดถ้ำ <c oughs> ข้อเท็จจริงมีแค่นี้เช่นกันอะไรที่เกิดกับกายกับใจเราเนี่ถ้าเราไม่จับมันตั้งมันขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่รู้กระบวนการทํางานของกายของใจแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นหนึ่สิ่งเราก็จะไปคิดว่าคาดว่าแม้กระทั่งเห็นหิน โอยเหยียบไม่ได้หรอกเจ็บคุณเหยียบหรื อ, อยังความเจ็บเกิดหรื อ, อยังนั่นแหละคือเคล็ดลับที่ทำให้เราจะกศึกษาได้สิ่งที่บังให้เราศึกษากายศึกษาใจไม่ได้ไอ้ความคิดว่าไอ้ความคิดว่านี่แหละคือตัวบงังเนี่ยคืนนี้เอาไว้แค่นี้เนะาะกับพระพร้อมกัน